พระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็ดชื่อจุลวัคเป็นวินัยปิฎกได้กล่าวแล้วว่าจุลวัคมีสองเล่มคือเล่มหกกับเล่มเจ็ดเล่มหกที่ย่อมาแล้วมีสี่หมวดหรือสี่คันธกะในเล่มเจ็ดมีแปดหมวดหรือแปดคันธกะดังต่อไปนี้หนึ่งขุตกะวัตถุคันธกะ หมวดว่าด้ยวยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่กล่าวในหมวดนี้เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดเช่นข้อปฏิบัติในเวลาอาบน้ำการดูมหระพข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตรเป็นต้นจนถึงเรื่องเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะทำด้วยไม้และทาด้วยดินเหนียว 2. เสนาสนะคันธ ก, กะหมวดว่าด้วยที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้กล่าวถึงเรื่องสถานที่อยู่อาศัยเครื่องใช้เช่นเตียงตังผ้าปูนั่งปูนอนเครื่องใช้ประจำในที่อยู่ตลอดจนการก่อสร้างเป็นต้นสสังคเพทกันทั ก, กะหมวดว่าด้วยสงแต่กันเล่าเรื่องพระเทวทัตคิดประทุษร้ายพระพุทธเจ้าแต่ไม่สำเร็จจนถึงเหตุการณ์ที่ทาให้พระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิต และเรื่องการทำสงฆ์ให้แตกกันพร้อมทั้งข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับการที่สงฆ์แตกกัน 4. วัดตขันธกะหมวดว่าด้วยวัดหรือข้อปฏิบัติว่าด้วยวัดหรือข้อปฏิบัติต่างๆ13าเรื่องคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เป็นอาขันตุกะข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เป็นเจ้าของถิ่นข้อปฏิบัติของภิกษุ ผู้จะเดินทางจากไปข้อปฏิบัติในโรงอาหารข้อปฏิบัติของภิกษุผู้บิณฑบาตข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่าข้อปฏิบัติเนื่องด้วยที่อยู่อาศัยข้อปฏิบัติในเรือนไฟข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวัจจคุติหรือส้วมข้อปฏิบัติต่ออุปชัยยะข้อปฏิบัติต่อสัตธิวิหาริก ข้อปฏิบัติต่ออาจารย์ข้อปฏิบัติต่ออันเตวาสิก 5. ปาติโมคขะปณะคันทกะหมวดว่าด้วยการงดหรือหยุดสวดปาติโมกกล่าวถึงการหยุดสวดปาติโมกเพราะมีภิกษุผู้ไม่บริสุทธิ์ปนอยู่ด้วยพร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆเป็นอันมาก 6. ภิกขุนีคันทกะ หมวดว่าด้วยนางภิกษุณีกล่าวถึงความเป็นมาของนางภิกษุณีและข้อปฏิบัติข้อห้ามข้ออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับนางภิกษุณี 7. ปัญจสติกันท ก, กะหมวดว่าด้วยพระอรหันห์้าร้อยซึ่งทำสังขยาครั้งที่หนึ่งพันนาเหตุการณภายหลังพุทธบริณพานถึงการทำสังขยาครั้งที่หนึ่ง 8. สัตตสติคันทะกะหมวดว่าเรียพระอรหันต์0รซึ่งทำสังคยาาครั้งที่สองพันนามูลเหตุและการดำเนินในการทำสังคยนาครั้งที่สอง